เสขปฏิปาทาธรรมิกถาก่อนฟ้าสางวันที่ส2องมกราคมพศ2547าเรื่องคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติธรรมตอนที่สองโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยเหมือนทํารี่ยังก็เปล่าเปล่ถ้ามีอารมณ์ใหม่มันกระทบกระเทือนเข้ามันก็จะกลับคืนมันก็จะ มอนไข้ยังไม่หายไปกินของผิดสำแดงก็ฟื้นขึ้นมาตามก็ลุกขึ้นขึข้นมาจากกังกอมท่านก็เสียใจเวลาใดจิตท่านเขาถึงฌานท่านดีใจมากมีความสุขมากรักคีมากหรือว่าตัวเองโชคดีแต่เวลาฌานเขาท่านเฉื่อมท่านมีความทุกข์ท่านก็เลยว่าเอบันถึงเจ็ดขัง้งเกิดมาแล้วก็เสื่อมเกิดมาแล้วก็เสื่อม แต่เวลานุ่มีฌานเกิดขึ้นเจียของท่านดำดิ่งลงไปถึงอัปนาสมาธิถึงการลักขีที่ที่เราพูดไงท่านเมื่อบอกว่าท่านลักขี่เสร็จท่านบอกว่าอยากตายอยากตายในขณะที่จิตใจเบิกบานที่จิตใจเป็นสมาธินี้คงจะไปที่ดีจนถึงครั้งที่เจ็ดท่านทําฌานให้เกิดขึ้นท่านกลัวว่ามันจะเสื่อมอีกเอถ้าอย่างนี้ต้องรีบตายไว ฟ้าวตายฟ้าวตายนี่ตัวนี้ยังยังไม่เป็นอริยชนนะครับยังไม่ได้เป็นพระโสดาบันด้วยซ้ําไปตอกยังเป็นพุทธชนนี่แหละครับสามารถพัฒนาไปถึงตัวลักขีตัวนี้ได้ตัวกินเวลาเนี่ยนะตัวบริโภคเวลาเนี่ยท่านก็เลยไปหาสตรามาจะฆ่าตัวเองเวลาให้เพื่อนฟังเพื่อนก็อ้อนบอ น, อนห้ามปรามไว้ ไม่แหงทำอย่างนั้นอันตราวิริยบัติท่านมันฟังเสียงท่านบอกว่าเมื่อฌานเสื่อมแล้วเราตายเราอาจจะต้องไปสู่ทุกขติไปตัวนรกก็ได้ทานที่ที่เรารีบตาในขณะที่จิตต่เราสงบดำบิ่อยู่ในฌานนี้ถือมีดสุทตรามาด้วยเราขอพัฒนาจิตต่อด้ในขณะนั้นท่านจะเร ด, ดยนว่าสีพอสมควรเมื่อจิตเขาถึงถึงฌานท่านก็เอามีดเชื่อคอตัวเอง เชือแป๊บก็ตายปุ๊เหมือนกันนะครับคอตกพระภิกษุทั้งหลายได้เห็นก็ไปบอกประทุนกราบกราบทูลพระุเจ้าให้มาดูพระโคธิกะพร ะ, ะพระุทธเจ้าก็มาดูมากับพระภิกษุทั้งหลายก็มาเห็นภาพประหลาดภาพยังไงเมื่อไปใต้ก็เห็นท่านนอนคอตกคอขาด แต่ไม่ทั้งไม่ทั้ขาดไปหมดดอกตกตกคื่อนไปทางหลังเลือดไหลาอาบแล้วก็มีควันเป็นกลุ่มลอยเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นกลุ่มลอยม้วนตัวบนไปเบี่ยมันในสรีระของท่านในศพของท่านลอยอ้อยเอียงไปมาเป็ น, เ ป, นเป็นกลุ่มควันลอยจบพระเจ้ก็เลยถามพิสูจน์ทั้งหลายพวกเธอเห็นกลุ่มควันนั้นไหมเห็นพระเจ้าขา จะรู้จักไหมกลุ่มควานนั้นคืออะไรใครมเาเผาไฟตรงนี้ไม่รู้ไม่มีใครมาจุดไฟที่นี่พระพุทธเจ้าก็บอกว่าูิกษทั้งหลายนั่นแหละคือไฟจะมามากาลังตามหาวิญญาณของโคทิกะจึงเป็นกลุ่มควันลอยอ้อยอิงอยู่ตรงนั้นมาตามหาไม่พบว่บาิวิญญาณขอาท่านไปไหนตัวนี้อย่าสับสนนะครับ บางเลยต้องคิดมลละเอียดความมลึกซึ้งในเนี่ยของพุทธศาสนาเรอพิสุดทัทางหลายมารผู้มีบาปกำลังติดตามตามหาวิญญาณของโคทิกะพิโคแต่จนแล้วจนแล้วก็หาไม่รบหาไม่เจอสุดขอบเขตวิสัยแห่งมารที่จะตามไปถึงตามไปเห็นเพราะอะไรบัดนี้ เธอตายทางร่างกายได้ในคารเดียวแล้วิญญาณของเธอก็อาจจะดงองอภีทิายโยนิโรธสัญญาเวทนาสีติระหิงสุสัพพาสังขาวุปสมาวิญญาณังกระทั่งขมาขมาร่างกายของเธอแตกสลายแล้วสัญญาทั้งหลายของเธอก็ดับลง เวทนาของเธอความเจ็บปวรดรวุ่งเร้าขอบโศกความป้อเย็นสังขายทั้งหลายทั้งกายทั้งวัชีทั้งมโนุษยกายวาจาใจเป็นสังขารทั้งสอของเธอก็สงบเข้าไปสงบวิญญาณของเธอก็อัศดงไม่ตั้งอยู่ในโลกนี้ไม่ตั้งอยู่ในโลกไห น, นลุดไปจากวงโคจรของโลกวงโคจรของวัตถะ ของท่านอาสดงไม่ตั้งอยู่ได้คือความไม่ยึดมั่นซ้อมั่นมันเกิดขึ้นทั้งหมดนี้เกิดมาจากเมื่อจเจริญสมาธิภาวนามาถึงระดับนี้บ่อยๆเข้าก็จะชำานาญเวลาจะตายเวลาตายแล้วจิตจะรู้จักรีบปล่อยวางชีวิตะสมะสีสีดับทั้งชีวิตดับทั้งกิเลสไปในตัวความยึดมั่นในขันในธาตุในอจนีหมดไปพร้อมกันพังสลายไปพร้อมกัน อันนี้ของท่านที่ที่มีความชานาญเรียกว่าสักยังวสีมีอํานาจเกิดขึ้นในตัวชานาญในการเข้ากันออกของสมาธิสามารถจะจะทำให้เกิดชีวิตะสมาสีสีโลคันจะสมาสีสีเกิดโรคเกิดภัยบางทีก็หายไปพร้อมกันกิเลส ก, ก็ตายโรค ก, ก็หายร่างกายก็ดับสิ้นวิญญาณก็อชัชฉรง เพราะอาศัยอำนาจสมาธิที่ฝึกมาอย่างช่ำทองแต่ก่อนมันยังไม่ตายก็เลยยังมีอุปท า, านกุลอยู่แต่พอจะตายเขาจริงๆก็เลยทิ้งได้ง่ายเรียกว่าตกบันไดพอจรไม่ให้มันตกเฉยๆอันนี้คือการกินเวลาผู้มานี้ก็กินเวลามากแล้วเอาใหม่ทีนี้เราบริโภคเป็นนะยุคนซมเมอร์โซอาศัยตีนเนี่ยคนซุมเมอร์อิซึมที่ฝรั่งเรียกร้องบาดกลัว พอโลกทั้งโลกกำลังเจอปัญหา depletion พลิชั่น น, นี่แหละปัญหาใหญ่ปัญหาทรัพยากรร่อยหรอเพราะการบริโภคมากและปอเอาเอาทรัพยากรดีๆที่บริโภคแล้วมาถ่ายกากของเสียไว้แก่โลกท่วมท้นจงเกิดมลภาวะเรียกว่าพอลิชั่นจะทาลายชีวิตทำมนุษย์ทั้งสัตว์ระบบนิเวศนิเวศนังอันญะมันยังนิสยัยยะ การอาศัยอยู่อย่างพวัวพันซึ่งกันและกันทุกๆชีวิตในทางพุทธศาสนาเรียกว่าสัพปานาสาานาัพป า, านานางังอหิงซาสัพปานานางังนิเวสานางังไม่เบียดเบียนชีวิตทั้งปวงในสัตว์ในสภาพที่เป็นอยู่ในสภาพแวดล้อมอันเดียวกันที่เรียกว่าระบบนิเวศอีโคโลยีนะครับพุทธศาสนาของเราตื่นก่อผู้ฝรั่ง สนใจเรื่องนี้มาก่อนบอกมาก่อนเขาเพิ่งจะมาตื่นตัวเลนี่กําลังกลัวกลัวการบริโภคและกลัวภัยจะเกิดขึ้นจากระบบนิเวศเราไม่ต้องห่วงเรื่องการบริโภคบริโภคปัจจัยทั้งสี่เราก็บริโภคเป็นในขณะเียกัเราจะบริโภคเวลาให้มันเป็นยิ่งกว่าเขาที่เราหัดตื่นมาตื่นตีหนึ่งตีสองเพื่อมาหัดบริโภคเวลาให้มันเป็นอาการิีโกให้ได้สัมผัสจริงๆเป็นปฏิจจตัง ดังที่รล่ามาให้ฟังที่นี้ทำอย่างไรเราจะบริโภคเวลาเป็นก็คือจะต้องมีคุณธรรมพื้นฐานของนักศึกษาเรามีไหมพัฒนาขึ้นมาได้ไหมแต่ละวันแต่ละวันยิ่งกว่าเก่ามาหรืออย่างสไตล์เดิมยังตุบซูอยู่ก่า คุณธรรมของนักศึกษาในด้านนี้มีอยู่ห้าประการครับหนึ่งเป็นผู้มีศรัทธามั่นใจในศักยภาพของความเป็นมนุษย์ถ้าว่ามีพระมีสถานในพระสมานะพระเจ้าเรียกว่าตถาคตาโถาภิสถามั่นใจในการปฏิบัติการการต่อธารุ ข, ของท่านไม่สงสัย แล้มั่นใจที่จะไปประพฤติปฏิบัติตามท่านแต่ความจริงตัวนี้ต้องขายายให้ลึกกว่า น, นี้ให้เข้าใจขรอบคลุมสองเป็นผู้ไม่มีมายาโอว้วัตเป็นชาติของคนตรงไม่เป็นโลละชาติกาปุคโละโ ล, ะปโลเป็นบุคคลผู้พูดเป็นชาติโลเล่พอภาษาภาษาลาว่าเป็นคนกอลอกแกๆ ก็ลอกแก่แรกโลละชาติกาเป็นชาติของคนตรงเวลานี้เรามาอะไรเรามาเพื่ออะไรเราเป็นนักศึกษาเรามาเพื่อศึกษาก็ตรงต่อการศึกษาไม่ใช่มีมาย า, เ ห, า, าเหมือนชาติโคปิกาเหมือนชาติโคหิวผู้ที่จะทำเปรียบเทียบดีนะครับคนมีมายา ถ้าว่าเหมือนชาิโคหิวคืองัวคือคัวพยศผู้เท่าเคยไถายนาเคยทำนาแบบโบราณอย่างผมนี่เป็นลูกชาวนามันกต้เตชาติโคหิวชาดงัวควายที่มันพยศควั้วพยตเห็นบ่ยัง้องไปไถานาจูงไปใส่ไถ ทำทางเนื่องหางสีขีสีเนี่ยวจุงจู่จังจะหาบุกขีหาบุเงี่ยวนีจะบอกเป็นระบบข้อใจวิารณ์หอตัวันตีฟัดสีฟาเาหันเศ้าตเฝันดุจดุจจะเนื่องขังขึ้นรถอันนี้เพราะตีละครเมงเม่งจุงจู่จังจะดูครัมาเด้อให้มืได้เอิบว่าเขาวหรือมมาข่าวอะไรตันี้จุงจู่จังจะหาลีสุกจาวหรือจังดหรือว่าหาลีเียวมา อันน <laughs> <laughs> ี er rauen, ja, ้เป็ผู้ทำผู้บุญิตผู้แตวผู้่อเวลาจิ้งไปเข้าถ่ายลากถ่ายไปเอาปากจุนน้ำได้ไหมสกินน้ำหาพกกินตุ่มซิซีดูจอหนออมไปผลหนาผลตันน่ะคือชิีายตายแท้ๆเขาตีป๊ดูจอสกินน้าผลิตรอนผันไปกินน้ำหากพบกกินตัโลมือตาไม่แม้จะเด็กสาวไแห้ง นี่คือถ่ายโหิ่งคนผยุต์คืองูขึ้นขั้วพยุต์ไถนาไปดีๆ พ, พอตอนจะเสร็จจะเสร็จงานจะเหลืออยู่รอบเดียวสองรอบ ก, ก่อนขี่ถ้าถ่ยสัดจากดาบันรถถ่ายผอดนี่แห้งมันว่ามันสร็ปวดไถพอถ่ายเสร็จปับ๊บเ อ, า ไ, อ, า, ไอาไปเอาไปเอาไปแรกงานใหม่ เอาไปแห่งงานใหม่ต่อยต่อยที่เพ่ตายนี่ยเ่ถึงาไว้เท่เขาจิ้มแหวิสีๆไปาไ้อปเยต่อต่อยอย่างไจะมีนะไกระทาตัวกินนาไปเสบแท้ๆอยู่ในถยม้วนแต่ตัวนม้วนตัวขาปล่อยให้กินนาพันล่วงกันชาโคหิวชาโคพยศชาความพยศ นี่คือคนคนเป็นชาติเป็นมาดาโอห์มันเป็นไม่เป็นชาติของคนตรงสองสามเป็นผู้มีโรคในกายน้อยไม่ถึงกับล้มหมอนนอนเสือ่อมไม่ใชอคนพิการด่งผมนี้ท่านทั้งหลายมีอุ ค, คุณในสบัาข้อนี้เพียงพอมจึงเหมาะแก่การศึกษาในธรรมในนี้ในด้านอาธิศินอธิจิตอธิปัญญา มีไฟธาตุสมบูรณ์เผาอาหารให้เยอะได้ง่ายร่างกายกระปีก้กระเป๋าเป็นผู้มีโรคในกายน้อยเบาบางซีเป็นผู้มีปัญญาไม่เป็นคนงอ่อเซอะไม่เป็นคนซื่อบืดรู้จักห้ารู้จักสิบรู้จักดีรู้จกัจ ก, จ ก, จกชั่วรู้จกักเบารู้จักบุญอยู่ฟังรู้เรื่องอยู่พูดจากระู้เรื่อง โซตพังมันเยยออยุ่งพร้อมที่จะรับฟังและพร้อมที่จะพูดกันรู้เรื่องห้ามีความเพียรอันปารกแล้วอยู่เสมบอบกขีข้ากกะัปะตีละข้งกะลุกกะลุกมาน้ามูลดมูม่มานาังได้สองสามนิเลยกัจะโกยโกยมาน้องกลนทำท่าเฝ้าคือคืออย่างเมลุกปูเปา่หัวโดนหนากินๆน อั น, นกั้นเดกได้พื่ อ, อกันได้ตบองสรงปัว้วยนี่คือคุณสมบัติพื้นฐานของผู้ศึกษาในไตสิขาในเซคับปิปทานี้เราต้องพัฒนาสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อแรกนะครับหัวหน้าใหญ่มีศรัทธาออนที่ร่างหลับงอกเ ง, ง็กงอกงกันนีเพราะว่ายัางไม่มีศรัทธาต่อครับ มีศรธรมมันเป็นจริที่ผมมองดูนิสิต ป, ปริญญาโทที่ท่านมาจากมหาวิทยาลัยคอนขอนแก่นมหาจุฬาคอนแก่นถ้านไม่เห็นง่วงเลยท่านเพิ่งจะมานั่งตรงท่านฝ่ศึกษาหรื่องสิ่งคิดตะพังอย่างยิ่งเลยสิ่งคิดตะพังศึกษาอย่างแรงกล้าฝ่ศึกษาอย่างแรงก้าเลย ดังนี้คือมีศรัทธาศรัทธาตัวนี้เราจะเชื่อตาออักษงเลื่อเปื่อยไปที่ว่าตถาคตาโพธิศรัทธาเราก็แปลกำว่าเชื่อมั่นในในการตรรุปของพระพุทธเจา้ามันก็ถูกดูแต่จริงมันมีปลึกข้ามาแค่กว่า ม, ามันจะเห็นชัด ก, กว่านั้นตถาคต ตาโพธิมาทําความเข้าใจในสัพบารีแท้ๆจะใช้คำสัทธิเหตตถาคตสัพโพธิทิ้งไม่ได้เขียนสําเร็จรูปบอกว่าตถาคตโพธิสัทธ์ออกคำนี้ไป็นคำโคกมาใหม่ของของพระอถากถาครับแล้วก็ไปเก็บตรงนู้ตรงนี้มามาร้อยเป็นหมวดให้เราเรียนสัทาห่านะก็มาสถาวิปากาตถานะก็มสกตาสถานสัทธาตาโพธิสัทธา มันหมายถึงความสามารถที่มีอยู่ในตัวของคนทุกคนศาสนาพุทธฝ่ายมหายานทางเมืองจีนทางญี่ปุ่นทางเกาหลีใต้ไวเป็นนเขาจะเรียกว่าทุกคนมีสภาวะแห่งพุทธมีอยู่ในเนื้อในตัวทุกคนในจิตในใจทุกคนสามารถที่จะพัฒนาได้เขาก็พูดของเขาโกนั่นแหละครับตัวโพธิ์ถิงตัวโพธิ์ถิง ภาษาบาลีคํานึงเรียกว่าสักขิสันสกฤตใช้คําว่าสักกายภาพยังไม่ได้แปลเลยภาษาไทายแปลงเอาคือผสมปาหน่อยไม่ได้แปลซ้ำเอาพัก บ, บัวมาเอามาพลิกมาเอาหัวชิ้นใครมาซอยแปลงส่งเป็นปาน่อยกินไห่ได้แปลลูกเลยความหมายที่แท้จริง ที่ว่าักิรภาพก็ดีสักคีก็ดีเราเราเราแปลงคับถับภาราสันตะว่ามีศักิรภาพเขาจึงแปลว่ามีความสามารถซ่อนอยู่ในตัวภายในใจทุกคนเหมือนกันหมดถ้าจะพัฒนามันขึ้นมาภาษาฝรั่งพระาอางกีเขาใช้คว่า to having full potential ทุกคนเต็มเปี่ยมไปด้วยศักยภาพความสามารถที่สัอ้นอยู่ในตัวแต่จงปลุกมันมาจงดึงมันมาใช้แต่ดูถูกตัวเองก่อนส่วนมากคนเราบางจะดูถูกตัวเองไม่เอามาใช้เป็นไปไม่ได้ไปอาจารย์บอกให้นั่งตัวตรงก็เป็นไปไมได้ก็ตรงหลังโคตตรงจุ้งก็ไม่แห้งอยู่คือกันหันใจได้ดีอยู่ด้วกันว่ารับแห้งดีเพราะว่าพรเขาฟินเสร็จแล้ ว, ล ว, วก็ฟมอันไม่ฝื่ม เพราะการศึกษาหางนี้ทางพุทธศาสนนบอกว่าปฏิโซตคามิงนะครับต้องทวนกระแสของกิเลสตนาฟื้นทวนสวนขับต่อความรู้สึกของสังขชาติญาตส่วนตถาคตละครับคือใครตถาคตคำนี้เกิดมา่ก่อนพระพุทธเจ้าเรา ย, ยังไม่เกิดในประเทศอินเดียปรัชญาของของก็งจะเทียงกันอยู่อย่างเดียวว่า ตถาคตตายแล้วได้เกิดหรือไม่ตถาคตตายแล้วศูนย์หรือตถาคตตายแล้วเกิดหรือตถาคตตายแล้วไม่ได้เกิดเขาจะเที่งกระดิ่งกันแหละครับพระพุทธเจ้าจะไมนเกิดหรอกเาจะทำให้ปรวัติตถาคตตายแล้วศินย์เกิดบ่ตายแล้วบ่ได้เกิดก็วิบ่ตถาคตหรือว่าตายแล้วศูนย์หายไปเลยนั่นแหละครับอย่าเข้าใจว่าคําว่าตถาคตคือตัวพระพุทธเจ้าอย่างเดียวนะคํานี้พระพุทธเจ้า พระ อ, องค์ทรงลดลดองค์ของพระองค์ลงมาหาพวกเราให้ให้ว่าเป็นเพื่อนกันกว่าท่านว่าเราตถาคตเราคือตถาคตคือพวกท่านนราเป็นคนธรรมดาเนี่ยนะตถาคตเป็ว่าคนธรรมดาก็ได้ตถาไปว่าอย่างนั้นก็เป็นธรรมดาธรรมดาอย่างนั้นตถาวาทีตถาการีพูดอย่างไรก็ทําอย่างนั้น ที่บอกว่าเราแต่ลาคตก็ไปว่าอ่อยคอยก็เป็นทังท่านคุ้มเจวันละนะพระตาเล่าสัพนี้จะมีคำมีคำขยายคำวิเคราะห์ว่ายะถาปูริม ก, กาสัตตาชาติชลาโมลังขจติติอาจัมปิตท่าคาโตสัตภูมู้มีถึงถึงความเกิดและความตายแล้วครอบ ง, งมอยู่เป็นอยู่ สัวตวนั้นชื่อว่าตถาคตนั่นเห็นบอกท่านยาเรียกพวกว่าตถาคตมกกันก็พวกเราถ้าจะบอกพิสูุทั้งหลายธรรมะทมี่ธรรมะถ้าพิสูจทั้งหลายอุปาทาวาตถาคตาวาพิฆเวอนุปาทาวาตถาคตานาพิฆ เ, เวธรรมะติฏิตาธรรมนิยตธรรมนิยามตาเราตถาคตที่เป็นเมือนพวกท่านทั้งหลายเนี่ยจะเกิดมาหรือไม่เกิดมาก็ตาม ทำทัท้งหลายมีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้อ น, นันยธาตามันเป็นประจันนี้อวิตรธาตามันเป็นปอย่างเกินตาหาามันก็เป็นจังสรรแล้วเป็นอย่างนั้นเองเป็นจังสรนแล้วทำเงินบ่เป็นคอยตั้งได้หรือเป่ามันเป็นดีจากทีแต่ข่อยมา้พอมาเห็นเมื่อคนพบเลยมันบอกมาสอนท่านจเจริญท่านท่านแบบเป็นตถ า, าคตก็เป็นคนดังตองที่นี้ตถ า, าคตโพธิสถานธ า, าตโพธิสถานก็คือ อาการปฏิสัทธาไม่ใช่สัทธาแบบพักดีของศาสนาอื่นศาสนาอื่นที่เขาถือถือพระเจ้าเขาจะมีสัทธาแบบสุดเก้าสุดหัวไม่ต้องมีเหตุมีผลต้องเชื่อเราพงเราตาเชื่อลงไปอย่างนั้นเขาหรือก่าพักดีสัทธาภาษาฝรั่งเขาจะแปลเ fully, ต็มๆบอก faithfully เต็มไปด้วยความเชื่อ แต่ของเราไม่ใช่อย่างนั้นนะเปลเาแปลสถานเนี่จะใช้คาว่าคอนฟิเดนซ์แปลว่ามั่นใจหรือว่าอาการเรปฏิสถามั่นใจ ต, าตถาคตะโพธิสัทธามั่นใจในศักยภาพในความสามารถของความเป็นมนุษย์สัมพันธ์กับจุดมุ่งหมายที่ดีงามที่แท้จริงของพุทธศาสนานี้ ที่ในจุดมุ่งหมายอยู่ไหนที่กินการเวลาให้มันได้ไปถึงการทำเวลาให้เป็นประจตังเป็นอาการดีโก้แล้วก็ทำอาสวะให้สิน้นเราสามารถเข้าถึงจุดหมายตรงนั้นยิงหรือว่ามีความมั่นใจในเศษศักยภาพของขอาเป็นมนุษย์สัมพันธ์กับจุดมุ่งหมายที่สูงสุดที่ดีงามได้ถ้ามีความมั่นใจและก็สัมพันธ์กับจุดมุ่งหมายมั่นใจในศักยภาพความสามารถของเรา มันก็ต้องทำได้พัฒนาได้เ่ยบอกให้นั่งตัวโต้กระตรงใดด้วยหลังห้องก็มีอันนี้ก็ตูสู้คืูคือเก่าบอกพัฒนาเลยไม่ดึงศักยภาพออกมาพวกฝรั่งก็บอกว่ามันมีจุดทรายฟูลพูเทนเนตต้องพยายามจนเต็มความสามารถศักยภาพของท่านเพราะว่าเรนนี่ยังไม่เต็มศักยภาพแต่ก็เก่งมาแย ก, กอยู่ตอกตอไม่ใช่ไม่ดีต รุ่นที่สามเลยนะปีนี้นะแต่ก่อนถ้าสองสามวันยังไม่เข้าที่ดอกเหมือนจับกบใส่กระดองม่นจะจับให้จะปูกยย็ยังช่วยมันยังช้าหนอเป็นถ้าก็น่อ ง, ง, งค้องปกกบเลยมาชุดแรกโผล่เนื้อเบลคืนกีนก่มากระทันเรื่องตัวไม่ึแล้วเอาาอาาทั้งสองโบ้ก็เรียก ว, ว่ารุ่งไพลโอเนียมากระทันรุ่นบูพเพแต่รุ่นนี้ดีเข้าที่ได้ไวพัฒนาได้ไว พวกนี้ก็น่าจะพัฒนาไปกว่า น, นี้อันนี้หมายถึงคุณสมบัติคุณทำพื้นฐานเป็น base of 基础 making student standard of student คุณทำพื้นฐานที่จะทำให้เราเป็นนักศึกษาตอนนี้คอยเข้าใจว่าเราเป็นเพียงเตรียมศึกษานะเดี๋ยวไม่ใช่นักศึกษานะ ถ้าเป็นนักศึกษาท่านจะเรียกว่าเสขาจริงๆเสขาบุคคลแปลงอิเป็นเอตัวเอนี่จะเป็นนิบาทบอกว่าอยู่ภายในโลกังซึ่งโลกโลโกนโลก โ, กโ ล, กโลกเกในโลกสิกเรือวณหรือว่าเสเสขา ก็คือผู้ศึกษาอยู่ในเนื้อในตัวความการศึกษาเต็มเปี่ยมอยู่ในเนื้อในตัวในใจในใจพฤติกรรมภายนอกทางการทางวาิจาคือศีลเข้ามาตารฐานพฤติกรรมภายในคือจิตใจด้านสมาธิพิสุทธโธบริสุทธสมาธิโตตั้งมัน่กนการมนโยควรแก่การงานรับิชอบทุกกิริยาบทลื่อนไหวจิตใจนุ่งคิดรับผิดอบได้พฤติกรรม ที่ใจระดับนี้เข้ามาตรฐานล้วเป็นเสขะปัญญารู้เท่าทันความเป็นจริงของโลกของชีวิตไม่ลงไปตีราคาโลกกระทจนสยบยอมเป็นทุกข์เพราะสิ่งเหล่านั้นเห็นอยู่ซึ่งความเกิดดับของสรรพสิ่ง็นอริยปัญญา คือว่าอริยะปัญญายะสมณะขโตถึงพร้อมด้วยอริยะปัญญาไม่ใช่โลยยะปัญญานะอะไรเป็นเป็นเครื่องวัดให้เห็นว่าแค่ถึงพร้อมด้วยโลยยะปัญญาอริยะปัญญาพิกคุปัญญาวาโหติอุเทจัตถะคามนิยาพิกษุขผู้เห็นอยู่ซึ่งความเกิดดับอริยะยะปัญญายะสมณะขโตถึงพร้อมด้วยอริยะปัญญาเช่นนั้น นิพพยทิกายาสมาทุกขะคยาขามนิย่เธอย่อมช้ำแรกกิเลสประสบความสิ้นทุกโดยชอบนั่นคือเสขารุขคลระดับต้นคือพระโสดาบันสูงขึ้นมามาตรฐาน ร, ระดับสองก็จะไปเป็นสกิทาคาเมจะมาเกิดเองไม่ถึงสามสี่ครั้งเกิดมาครั้งเดียวส ก, กิงไปว่าครั้งเดียวอาคามี ผู้มาเพียงครั้งเดียวนันลีเทอร์เนอร์ขึ้นมาทีเดียวมาเกิดอีกแต่ว่าอธอสองจกอยู่นี้เบิดเสื้อเบิ้ด่างอยู่เนี่นี่พูดวงจรดาววงจรใกล้ที่หนองนันลีเทอร์เนอร์ er, ส ก, กิ้อาคาเมส ก, กิาคาเมเมื่อมองเห็นเมื่อตาได้เห็นเมื่อหูได้ยิน มันไม่ไหลซ่านหลายค ข, ขังไปพางขันเบล อ, อาสวะน่ะอาไปวัดทั่วสวะไหลซ่านไปยินเสียงไปยินเสียงหวานๆมาตามสายลมทางหูุ่งไหลซ่านไปหาจะไปเห็นดิแถวๆเรายังไหลซ่านอยู่ เปิดผาคังแสว่างอยู่ในตาแต่ว่าหัวแทบง่ายจะแต่งหน้าก็นอ่าไหลซ่านโว้ยโว้ยว้ยแทบเดยทุนั่นถ้ามันหลาซ่านเพียงครั้งเดียวก็คือสกิทาคารเมนนารีเทอร์เนอร์สตอปอยู่แค่นั้นออโต้สต็อปไปได้ครั้งเดียวเพียงแต่มองเห็นปากแดงแดงคิ้วโกงๆหน้าบานๆทองยิวยาวมา ไป้า่านไปทีเดวหยุดกึกมันทันนี่คือมันมาตรฐานระดับศีลระดับสมาธิระดับปัญญามันได้เข้ามาตรฐานระดับนีงก็เรียกว่าเสทาบุคคลระดับสองเป็นสกิทาคามีบุคคลถ้าเก่งกว่านั้นไม่มาเลยเสือเชือ้อซื่ อ, อ, อได้ยินได้ฟังหรือจะได้สัมผัส เ้ยไม่รู้เรื่องมองเห็นก็เหมือน ม, มองเห็นเศษด่าเศษดินก้อนดินต้นท่อนไมยเฉยๆไม่มีหน่ารักไม่มีหน่าชังปฏิฆะกรรมราคะสิ้นไปดังในเรื่องผมจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังพวกเซธาบุคคลอันดับสามพระพิสูรูปหนึ่ง ชาวบ้านเคารพเลื่อมใสามากถ้ามีมีชื่อว่าฮากุยเป็นชื่อญี่ปุ่นนะครับท้ามหาจารย์ออกมาเป็นเป็นชื่อญี่ป่นเฮกโกอินนะฮากุยนั่แหละท่านปฏิบัติธรรมมามากจนสามารถพัฒนาตัวเองไปถึงระดับอนาคามมนี่แหละคืนนันรีเทอร์เนอร์ไม่กลับคืนมาสู่าอารมณ์ของโลก วันหนึ่งบ้านพ่อขาปลาหันหน้าตรงข้ามกับถนมคนละบ้านพ่อแม่สองอครอบครัวนี้ทะเลาะ ก, กันแยกลูกค้ากันเกลียดชังกันมากแต่ลูกสาวกับลูกชายไม่ทะเลาะนะแอบได้แอบเสียกันจะมีลูกแต่พ่อแม่จะเห็นกันเป็นไม้เบลไม้เมา ฝ่ายพ่อของลูกสาวแม่ของลูกสาวเคสลูกสาวว่าเธอไปท้องมากับใครลูกสาวก็คิดว่าท้าจะบอกตรงๆว่าเป็นท้องกับไอหนุ่มหน้าบ้านพ่อแม่จะโคคอตายกุ้มใหญ่มากเพราะว่าเป็นศัตรูคู่แข่กันในครอบครัวนะแต่พ่อไม่ในเคารพพนะนายการหากุยรีมากก็เลยเบีบ่ยงเบนหนูท้องกับหลวงพ่อหากุ้ย <c oughs> อะไรเกิดขึ้น ด่าไม่มไม่มีดีโอ้ยด่าไม่มีมิ้นดีไปชวนชาวบ้านด่าชาวบ้านเขเข้าใจตามพากันด่ากันทั้งบ้านทั้งเมืองไปมีธบไม่มีใครสั่งให้แกเลยแต่ท่านเป็นอย่างไง ร, รู้ไหมท่านมันนันรีเทนเนอร์ละ น, นัเทนเนรีรยไม่กลับคือมาสู่อารมณ์โลกอารมณ์รักอารมณ์โกรธอารมณ์เสียโลกกระทำสาบไม่ติดโลกกรรมิสาบไม่เปื้อน มันลึกมากท่านไปมาบินธบาเขาเขาด่าชาว่าโหด่าเขาเข้าใจตามนั้นพ่อผู้หญิงมันก็ท้องมันก็โตขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันไม่ใช่ผู้ใจเจ็มันท้องใหญ่จริงๆอีไม่นานก็คลอดลูกเอาแล้วสิคลอดลูกแล้วก็เอาลูกนี่พอมาเลี้ยงพอพอกินนมพอพอยานมได้ก็อุ้มไปทังพ่อทั้งแม่เอาไปให้ท่านเลี้ยงเอาไปลูกมึงรมึง <Qué> ก <year> ็ดมึงต้องเลี้ยงชั่ว ตอนบินนบิดาบก็ถูกด่าทั้งบ้านทั้งเมืองกินกับปากอยากกับท้องก็ทำเฉยวางมาสาตราดีจริงนะหลวงพ่อนนะดูหนุนท้องอหญ่ทำมันไม่ว่าพิดชอบท่านว่าอย่างไงเขาด่าท่านท่านไม่รู้ว่าอย่างไรไม่ได้โกงหลวงพ่ออรหั น, นหต์บางองนะท่านว่าอย่างไงเขาด่าท่านจะจะท่านพูดได้สามคำอิเดชโซอิเดชโซ สามคำ it that so ปเป็นภาษาลาวเตมสันบอส ไ, <c oughs> ไปเป็นภาษาไทยว่าอย่างนั้นหรือขา่าวเล่นจะมีท้องแล้วไม่รับผิดชอบเป็นพระเป็นเจ้าหลอกให้เทวดาและมนุษย์ได้กล่าวได้ว่าลวงโลงจริงๆหนาหน้าไมอ่านดังซันบอแล้ ว, ว่า it that so อย่างนั้นหรือ ไม่สมวนนะครับใครจะเอาก็เอาไปเขีเป็นสิ๊กเ้อร์ว่าลนลกไรก็ได้อีเดดโซคือจิตใจมไม่สูกกระทบกัเทอนอันนี้นะักศึกษาระดับสามแล้วโจรเขาลูกไปทิ้งให้เลี้ย ง, เ, ยงเอาลูกมึงไปก็บอกท่านก็บอกอีเดดโซอย่างนั้นหรือแจังซันบอไม่ไม่ต้อง ม, ม, ม, มีเหตุมีผลแบบนี้พาะเขาไม่รู้เรื่องกับเราเขาด่ามาก แล้วก็เฉยแ้บอกว่าไม่มีใครรู้ดอกรู้ได้แต่เราสองคนกับลูกสาวของเจ้าน่ะแต่สองคนลูกแม่งก็เทหัวจริงสิก็รมเราไม่เคยจะรู้ด้วยเพื่อเขาบายจะเพื่อเขาบายจะจให้ก็บอกว่าอินเซดซโอเตยเซนบอกจบต่อมาเลี้ยงลูกจนโตไปไห น, นห้างก็เล้ยงนะตั้งมาในดวได้ดาบทัเลี้งจนโตอุดมสมบูรณ์ ที่นี้นางคนนั้นสำนึกได้กราบตักพ่อแม่ร่ำให้น้ำตาไหลอาบเนื้ออาบตัวของพ่อขอ ง, ของแม่โอ้ยแม่เอ้ยหนูอาจจะพาพ่อพาแม่ทลายล้มสู่ห้วงระลอกหนูมาได้ตั้งท้องกับหลวงพ่อหรอกหลวงพ่อไม่มีอะไรกับหนูเลยหนูมารู้อะไรกับท่านดอกคนนี้แหละอยู่ตรงหน้าบ้านเราเนี่ยที่เขามีเมียไปแล้วเขามีลูกเขยไปแล้ว คนนี้ไ ด, ได้ได้เสียกับกับฉันพ่ อ, อแต่นี้พ่อบอกว่าโยตายหาแล้วกูไม่รู้จะโตนรกลมไหนจริงๆเลยนางจริงๆในนี้บอกอหลาคุณพ่าเือในนี้คนคนไม่ได้เห็ยังคอ่ดเก็บ่รู้เยอะเคนตัวเจ้าถ้าจะบอกว่าได้มีท้องกับชายหนุ่มหน้าบ้านพ่อแม่คงจะโกงมากโกนมากในสมัยนั้น อาจจะกุ้มแต่จนเซ้นเลือดในสมองแตกตายก็เลยเบี่ยงเ็นมาหางนี้แปลลูกเรากลับคืนมาเลี้ยงยถ้าเลีเ้ยงลูกเราใหญ่โตแล้ ว, ว, ลวมันจะบากมากทีนี้ก็พากันไปทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกถือขันห้าไปกราบอ้อนบอนขอโทษขอาภผายเล่าคาจิดยอมสารภาพท่านว่า ย, ยอย่างไรดูไหมอินเดโซเจงซันบอกคือเก่า ไม่ได้รู้เลยนะไมเลยบ้าเลยอิเดียบเยอบอกจากนั้นหรืออย่างนั้นหรือได้พูดอะไรสามคาทีนี่ชาวบ้านชาวเมืองก็รู้สองสามพ่อรุ่นไปรประกาศให้ชาวบ้านชาวเมืองได้รับรู้ว่าไม่ได้เป็นอย่างนั้นวันนี้เอาลูกขึ้นมาแล้วไปวิทยาบาสตร์ไ ท, ทาชาวบ้านกาะน้อมเสียอภิวาทขอโทษทุกคนทในกระดาท่านท่านก็อิเดีโซ่แตงสันบอคือเก่า ว่าหายไปย่างกูได้นี่แหละครับเป็นเครื่องวัดมันมีศวิโสธนะธรรมนะทําเป็นเครื่องวัดตรวจสอบพระอริยเจา้าหรือพระอริยะหรือพระอรหันต์หรือพระอรหมุนมีเครื่องตรวจเรีว่าอะไรก็ได้มาเราไปตรวจถ้าสูงสุดก็จบการศึกษาหรือว่าอาเสขา บ, บุคคล เราอย่างน้อยๆก็ขอให้มาสู่ขอบเขตอันนี้นี่คือเนื้อหาสาระของการบวชของเราการบวชคือการก้าวลงสู่การศึกษาอทิศิล ษ, ษาที่เจรสิขาที่ปัญญศิขาวันนี้เวลาลูกเลยมาเกิดจะหกโมงให้เวลาเหลือไว้ให้อีกสิบห้านาทีพอได้ทําวัดส่วนมณแผีเมตตาคงจะสงผลเก็บเวลาคุณธรรมพื้นฐาน ของนักศึกษาก็ฟังกันมาแล้วและตรวจสอบ ก, ก็ตรวจสอบมาแล้วการบริโภคเวลาก็ได้พูดกันมาแล้วคงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยขอความเจริญ ง, งอกงามในอริยะยุ ย, ะยะธรรมความเจริญรุ่งเรืองในเสขาธรรมจงบังเกิดมีแกท่านทั้งหลายโดยทั่วกันทุกรูปทุกองค์ทุกท่านทุกคนเถิด